พระธรรมเทศนามโหสดจาดกจอมปราถแห่งมิถิลาภูกติสิบสี่ฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปหาหเฮชลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดย ป, อ, ยปออินสมชัยชมพูปเปลียนทำพวก ป, ประโยคนักรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮ้อะโม ตัสสะภาควะโตอระหโตสมมาสมพุทธัสสะอัตถโกโปธิสตโตราจานังเอวมหาติ สาัาโบโราะปุริจตั้งหลายผู้คงควายไขยรอดเวียงแก้วยอดเนรบปานได้หือตานใส่บาทบ่อละขาดเสียสินต่างอาจินไฟอ้างบ่อละห่างผ้าวานาปากันมาแต่เจ้า นั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าอาทคโปธถีสัตตดังนี้เป็นต้นบัตรนี้แดเต อ, อาทคโปุถสัตตในกาลนันไหนอพระติวัยทรงญานกอทุนสารบอกก่าแก่ตันเตวิเทหราช ว่าทรามดานักผาตผูชะลาดจบทองย่อมบอปองเกาจี้ยังกำรับลีปันไพมีเที่ยมใจรวมห้องดังตั้งปีน้องสหายย่อมบอบไม้เกาอู้ฮือเขาหูเยาวไปย่อมอดใจเมียไว้ดังทงใสคำแดงย่อมเอาแฝงซุกซ่อนไว้ในบ่อนไก่ตา กำรหนีนา่าอือผู้ญิงหูอาการคนสามารถลกใหญ่หันแต่ได้เงินคำยาไขกำลับเรียอแจ้งที่ถึงหู คนเป็นศัตรูแต่ก่อนทริมาอ่อนยอมย่อมตั้งหมูค่คนกี้อูเหือเขาหูความในคนมีใจจะถอยแสงเก่าถอยกรรมดี กือใจกาลีลายหลากแสงออกปากเป็นธรรมยาไขกำลาบลีเฮือแจ้งทีปันเขาแม่นตันเอามัดไว้บุบตีไขกาญาธรรมบาดานักผาดภูชะลาดทันภยัยย่อมบอกให้กาวจี้หฮือแจ้งทีตามไรเคจนตายกาดกย้ยก็บอกกาวถอยจะคาน เสียอาจารย์ผู้เท่าบอกเกิดเล่าหันไพไข่ความในละปลี่บอกหุ่มหีบังอําตุกนาน้ําไม่มาจริงมาปาดถึงตัวขอเจ้าเนือหัวยดใหญ่จุงไขขี่หน้าว่าทำมาดานักพลาดผู้ฉลาดอุบายย่อมบ่ไม่เกาจี้ ยังกำลับลี่ปันภัยกันกำคาหนิ่งในใหญ่น้อยสมไฟห้อยจูอันอันจิงกวนไข่ปันเก่าอือผู้อื่นหูดีลีเจ้าปุรินยศดใหญ่ฟังดอพระติวัยจะใครยินีใจจมจื่นปีติตื่นส ม, มนัตศาแล้วมีอาจญาปงขาด คือผัวข้าวหาดใจไฟวาส่จุงไว้อย่าจานํำอาจารย์บาปกาตารนตั้งสี่คนเท่าแก่มัดแขนแปไปลหลังเอาเชือกหนังเส้นใหญ่เขียนเสียงไขวจูคนคนแล้วน้ำตนกาผากออกไปจากเวียงใจเอาดาบใส่ฟันฝาดขอขาดบัดเดียว หัวกาเรียวบ่จ่าเนี่ยตามเจ้าฟ้าปงปันนอคุณทันหนุ่มเนาอินดูสีเทาอาจารย์ก่อทุนสารขับไว้ซึ่งตาไทยผาปราวาคอคุณนาภายพอใื้อเขาปนโตตั้งตายย้อนเขาตั้งลายนั้นเล่าเป็นนักผัดเก่าเดิมมา เคยอาศาอยู่ไกลขามรับใจกิจา ก, การขอพระผู้บานยศใหญ่อย่าฮือเข้าได้เมื่อมอนพระผู้ทอนผับดาวฟังเจ้ากล่าวทุนสาก่อวางลาปงขาดอนุญาตตามกรมฮือผวกน้อยน้ำสีเท่ามาเป็นข้าแห่งเจ้าบัดเดียว เจ้าก่อเรีวป่องปอยหื้อสีเท่าถอยเป็นไตส่วนเจ้าหอดใจหยดหยดยังคิวโคดเครื่องกาจิงมีอาถยาแถมเล่าว่าหื้อสีเท่าอาจารยณีจากสะานแห่งเต้าไปอยู่ดาวไกตาโนพุทธาบุญใหญ่กอนอมใบทุนศาน ว่าสีอาจารย์นั่นโสทากมีโตดีล you ีคุณก็มีบ่อบนตั้งแต่ก่อนเดิมอ่อนก่อเตาผู้ทอนหยดหยดเือปนโตตั้งนี้ได้อยู่ดีจื่อจ้อยกับลูกน้อยเมียควันได้มาแหนกันอยู่เฝ้าเป็นดังแต่เขาเดิมมา เจ้าปารานยศใหญ่ฟังนอพระติไวจะใครก็ตามใจแห่งเจ้าอนุญาตเราตามคำเจ้าหอกคำบิเตหาราชก็คึดขวาดไปมา ว่ามะโหสดนีนาลำเลิดกุลพาเสดเดือลายค่าซึกหมายใส่โตดอันไรโหตาลนเปือ่อยเฮตนนั่นใส่ได้ร่อนไม่เครืองกา ป้อยคุณนาะภายพธิ์คือเขาปนโตตั้งตายส่วนคนยิงใจทวนนาตั้งเราเจ้าฟ้าภาปุรีมีไม่ทีรักขอดบ่อละตอดยาำใด มันจักมีใจกดเลี้ยวบิดเบียงเบียวหรือมีเจา้าปุรียศใหญ่ขานิ่งไข่ไปมาฮักนอพุทธานุ่มเนายิ่งกว่าเก่าเรือพมาน ส่วนอาจารย์ตั้งศีนาบอกีิยินอายดังงูปิดไหลลำหมอกตันเอาเขียวออกมดซอยบอมีห้อยสวนกายามเฝ้าเจ้าฝ้าห่อใจก็บอกใครก้าวเต่าดักอยู่ได้ได้กันเต้าบุญภายถามข่าวจริงไว้ก่าวตามมีก็มีหันแลยนะ ตาต่อปัาญาแรกแต่นั่นไปไปนาเจ้านอลาบุญมีเป็นเสนาบดีนดใหญ่ก็เฮ่ต้าไทยผู้บ้านอยู่สำรานจื่นจอยบ่ตำก้อยขี่มองเจ้าก็ปองก็สร้างหอเมืองกว้างเรื่องไรดังจักหันไกไปนายามสักกามีมา สร้างบักกาตังต้งไก่หือ่กว้างใหญ่งามเปียงสร้างคือเวียงสามจันทกำแปงมันสูงนาเล่มช่างนานาน่อยใหญ่เืี่เต็มไข่จูพากกาดเกลเล่มสารเข้าเปือก เลมหอมเผือกพริกเกลือฮอมีเรือลายแลเต็มจูงแงภายในตั้งหลวสุมไฟหนึ่งเขาฮอมีหมากเต้าถมนาตั้งเกหาน้อยใหญ่เฮอแป่งไม่งามดีขุดโบคารนีลายหลากกว้างเล็กมากนำนาจักนำมาขังไว้ฮือเต็มไข่ตั้งวัน กันจีดงตันดันสอดพดมารอดเวียงใจก็จะใครบอกเล่าคอตันเจ้าเจียงจีนำดอกโกมุดนี้วิเศษมาจากเขตดงนาตั้งไม่เป็นยาหน่อยใหญ่ นำมาปูกไว้เลือลายคนยิงใจใหญ่น้อยต่างจืนจ้อยสมมนันาาบิธีลาเมืองใหญ่รุง่งเรื่องไข่ราเจทานีโยธาหมิหนุมเทาบาอ ai, ่อหือยู่เป่าได้ได้หื้อฮัดเจิงไหลหอกดาฝึกรบภาปเป็นนิรันกันเล่งหันป่อกาจากต่างนาเมืองไกล ก็จะใครทำเล่าว่าเต้าสู่เจ้าตั้งหลายมีใจใหมายไฟคองจิตเจตตองสั่งจ้าคือพาญาสู่เจ้าเปิงใจเล่าอันใดเขาก็ใครเกาหือเจ้าหัวตามมีนอมุนีบุญใหญ่ก็จำไว้ในใจแล้วเร็วไวแต่งสร้างตามเข้าอ้างไขปัน อันเจ้าห่อจันต่างไทยหากบักไฟเบืงใจคือสลีกันใจผ่าเสตดอกไม่เลิดคําแดงเป็นของแป้งเลิดแล้วตั้งต่างหูแก้วกุนต้น แล้วแต้มจือตนใส่ไว้เฮือเสียงไขว่จูพากาลแล้วอธิษฐานไหวมันเฮืออัคระฝูงนั่นหายหยุนยาเฮือคนใหญ่น้อยได้พอคอยเล่งหัน ยามเจ้าใจพันเกิดไข่คืออัคาระไดพดมากันแต่งดาเมียนแล้วก็เรียกมิดแก้วสะหายร้อยเอ็ดไม้เป็นแก่นย่อมกาแก่นอาสา คือเข้ามามวนหมูบอกคือหูความไหนว่าสู่จุงไว้รีเผาไปไว้เต้าไก่ตาเอาของนานานี่ใสไปน่อมไว้ย่อถวายอย่ารีบพันภายปิกปอกวายนาออกเกนมาคืออาศายอยู่เฝ้ากับเต้าเจ้าผู้บ้านฟังข่าวสารต่างค่ายว่าดีไรสันใด กันหันใส่แจ้งทีบอมีตีสังกาจุงทรงข่าวมาเกา่าหือเฮาฮูเร็วไว้อย่าอะไรใจคองยังแห่งห้องเกหาหรือพาริญญาโลกเต่าเรานี่เล่าอาสาจักรุมราจูผู้ือได้อยู่สัตสดสีกันไขวาตีเมีนยนไข่ก็เอาของก้าใหญ่นานา อันตนดาแต่งเล่อฮือมิดแก้วสะหายน้ำไปเทว า, ายตันเต้าอยู่ต่างดาวแดนไกลสะหายเตียมใจแกวนใจรับคำได้ตามกรรมต่างก็น้ำของฝากออกไปจากเวียงใจต่างคนไปต่างดาวร้อยเอต้าเป็นหมายกั้นผันภัายไปรอดถึงเมืองยอดไก่ตา ก็เอาของนาหน้ากะไห่ตามเต้าไทยเพื่องใจยกยืนไปก้มเก่าท่าวายเต้าเจ้าปุรีแล้วไขวาตีน่อมไว้หื้อไขขีญา เจ้าปาราต่างเทศได้ของวิเศษเบื้องใจบิหอราไทยจินสุก็เฮเข้าอยู่นานไปเอเป็นคนไหนอยู่เฝ้ากับเต้าเจ้าตั้งวันก็มีฮันแหละนาะตาตาในกาละนันไซในเมืองใหญ่กำปารักนากรตนผู้ทอนเจ้าจ้างมีจื่ออ้างว่าสังขะปาลากะราจา ือแต่งดาหอกดาเปร่งพระภพาวันคืนธนูปืนนาไม่อะมอกใหญ่ปืนไฟเรียกเศนาในสี่หมู่มาพร้อมอยู่ลวงลายบอกหูไมยไปผาปรบขาดเามืองใดใจเตรียมใจแกว่นใจอันอยู่ไกลไปไหนก็ส่งข่าวไปกา่าวหือเจ้าหูตามี นอมูนี่บุญใหญ่หัวแจ้งไข่ลายสานมีใจบ้านบ่อเศร้ า, ก, ก, าก็บอกนกแขกเตาเตรียมใจว่ามึงจุงไปรีพาวไปสู่ดาวกัมปาะละนคะร ว่าตนผู้ทอนเจ้าจ้างใดแต่งหางโยธาจางหยาธราไปพาปรบขนาบเมืองใดแล้วสืบไปเื้ไขยังเมืองน้อยใหญ่นานาแล้วปอกมาเก่าหฮ้กูหวตามีนกตัวดีฉลาดฟังเจ้าน้อยนาจะใครก็เร็วไว้บจ้าบินขึ้นฟ้าบัดเดียว บินรวดเร็วเบาจอดต่อเต่ารอดกำปลาละนากรแห่งเต่าผู้ทอนสั่งคปะละกระราชกันหูขวาดทันใสก็สอดบินไปจะใจ ยังเมืองน้อยใหญ่ดานาหลาวันมาไข่จอดจริงไปรอดอตารปัญจาละนาครแห่งเต้าผูทอนจุลนีราชเจ้าภาษาหอคำก็มีหันแลนะ โสราชาอันว่าพาญาจุลนีนันไซมีปรโรหิตใหญ่จือเกวัตอาจาร์ภูจานานชาลาดสอนอามาศนาตั้งพาญาเป็นเจ้าฮือหูกะา อ, องธรรมมันมียศนำสักใหญ่ขาชจวยใจยิ่งใจอาลังการลายจูสิ่งยอมกะยิ่งจูนอัน ยังมีวันหนึ่งเล่ามันตื่นเจ้ามื่นตาหันของนานาจูสิงมีการยิงจูอันอันอันตัวมันหากใด้จากเต้าไทยพาปารามันพิจารณาเกิดรอดการยิงสอดตามรายว่าของตั้งลายนี่เล่าบอใจของเก่าตนกู้ภัยบ่ออินดูยกยืนด้วยใจจืนยินดี เจ้าปุรีที่ราดหากปงขาดย่อปันของจูอันจุสิ่งย่อมการิิงตั้งมวลสมเปิงกวนจ่วยเต้าฮือภาพดาวปฐวีเจ้าปุรีลายหลากร้อยเอ็ดหากเป็นธาราฮือมาราณาเสียงไข่บ่อขางไว้คนใดฮือตนห่อใจบุญกว้าง เป็นเจ้าจ้างภาพจุมปูส่วนตนกูน้นันไส จ, จักเป็นปารหิตใหญ่คนเดียวหฮือคนเต้วโลกไต เ, เลือเราไวม้มอนนานเกวัดอาจารย์เกดแล้วกอกัดแก่ไก้กาจากเกหาไว้ว่องขึ้นสู่ห้องโรงกันอภิวันกมเก่าไว้เต่าเจ้าจุลนี ว่าข้าไข่ไขว่าตีกาวจยียังกำลับลีบังอําตตวาในหอคำนี้เล่าคนมาเต้านำหน้ากันจักจากเก่าอุคนจักหูไปลายขอเต้าบุญภายสเสด็จออกไปสู่ส่วนดอกกุย ญ, ญานข้าจักทุนสารบอกเล่าหื้อหูเก้าขีญยา เจ้าปราญยศใหญ่ใข้หูไข้ความในก่อเร็วไว้รีพาวสดดิสู่ดาวอุญญาณิื้ญโธท่าหานมวนหมูหลีกไปอยู่แดนไก่ เจ้าหอใจที่ราดก่อนนั่งเนือสิลอาอดมงกลส่วนว่าตนปารโหหิใหญ่ก็นั่งไก่กองตาพื้นสาละรุกขาลมกว้างเพื่อก่าวอ้างความในสวนนกเตรียมใจแขกเต่าแห่งนอพระเจ้าทรงยานหันปารโหหิตตาจาร์ผู้เท่ากับเต่าเจ้าปารา กันมานั่งอยู่กอขวาดหูในใจว่าเขาจะใคเกาที้ยังกำรปลีสัง่งาจจิงบินมาตีไกจับกิ่งไม่ไปบน กำบังตนดักอยู่เพื่อฟังเขาอูจากกันเจ้าหอจันยศใหญ่คือต้าไทจุลนีก็อไขวาตีทำเล่าว่าตัวแห่งเจ้าอาจารย์ จักทูลสารเก่าเกีย์ยังกำลาบลีสังจาจุงรีบจากก้าวเฮาหมูบัดเดียวปาโรหิตเรียวบอกเล่าว่าข้าแด่เจ้าฟ ร, รากำรหัตลีนาคุณใหญ่เปิงหูใดสี่หูคือตนบุญจูเจ้าฟ้ากับตัวข้าดีลี กันเจ้าปุรียศใหญ่ปฏิบัติใดตามกรรมจกมีเตจะนำแพกวางเป็นเจ้าจ้างภาพจุมปู่หมูศัตรูน้อยใหญ่บอกหอนใดมีมา ย้อนพาญาต่างดาวร้อยเอตต้าราธทานีดับอินที์ม้วนหมูบ่อข้างอยู่เมืองใดเจ้าหอใจจุลนีราชฟังถ้อยวาทุนสารมีใจบ้านจื่จ้อยจริงตอบถ้อยคำไปว่าตั้นจุงไข่เกาหือเฮาหูอุบาย มันก่อาวายน้อมไว้ว่าคาแด่เตาไทายหอใจกวรเร็วไว้อย่าจ่ายกพวกกาโยธ า, าจากปาราเตะต้องไปสู่ห้องแดนไก่เมื้องอันใดบ่อใหญ่เข้าลำใบบัดเดียวคาจากเตียวไตเตาไปลมเล่ากำดี คือเจ้าปุรีนั่นใส่มาน้อมไววขาบสมป้านเป็นปริวานแวดเป้าซึ่งเต้าเจ้าบนนำกันฟังก ร, รมตานต่อด้วยใจหมอยินดี ก็เอาเจ้าโปรีนั่นใส่ตั้งไผยไตพระเจ้าสั่งรอมาจูปูอยู่กับหมู่จุ่มเรากันว่าเขาอาจกาบอตามคาไข่าขากัม ก็โยกโยธานำห่าวหาดเข้าฟักฝ่าแต่งฟันฆ่าเจ้ามันเสียแล้วเอาผวกแก้วโยธาสั่งรอมมาเสียงไผ่รอมกับไผ่ไตเรารา แล้วหยาธารติดต่อภาพเมืองตีมอดังหมยกันเมืองน้อยอลายเสียงไว่ก่อภาพเมืองใหญ่ทัดไปบ่อนานเต่าได้แต่ใส่เตียงสมไฟกิตานาแล้วน้ำพาญ้าม้วนหมูเข้ามาสู่ยานเอาง้วนสานลงใส่ในไห้ไห่สุรา ตังโพจะนาลายสิ่งราสญิงดานำก่อเอายาปิดยำใส่ไว้เสียงไขว่จู่อันอันืเต้าห่อจันหุมเทาสะเวยเล่าอาหารเล่นสำรานต่างๆตามไฟอ้างไฟมันก็จักดับขันเสียงไขว่ย้อนปิดใหญ่ยายำ ยามนันเจ้าหอกคำยศใหญ่ก็จักเป็นต้าไทยเอกราจาคือเป็นพานยาเจ้าฟ้าภาไผนาจุมปูจุมสัต์ธูน้อยใหญ่บ่หอนได้มีมา เจ้าปาราจุลนิราเจ้าภาษาตจ์ยงขานฟังเกวัดอาจารย์ตันกล่าวใจจืนย่าวสมนัจาว่าเตียงสมภาธนาไปห้อยบอกกาดก้อยเสียไหนเกวัดไข่บอกล่าวว่าข้าแด่เจ้าปารากรรมำฆ่าจากเก้าหื้อคอหื้อหูสี่หูขอเต้าบุญจูนยศใหญ่ เก็บเมียดไว้ในใจแล้วเดียวไว้อย่าจ้าเงี่ยตามคาไข่กั๊มเดเตอที่นั่นนกแขกเต่าเตรียมใจฟังเข่าไข่เกาดักฟังหูสุดปลายก็ก่อยคุยคายก็ไตจับกิ่งไม้สาขาขี้ลงมาบ่จา ถูกหัวอาจารย์บาปกาบัดเดียวมันก็เลี้ยวขึ้นพออาปากล่อหายหนนกเตี้มตนแกนใจก็ขี่ลงใส่ซับปันถูกปากมันแม่นจองแล้วแสงร้องสัญญาว่ากำมึงจะแต่กี่ว่าหื้อหูที่สี่หูตัวแห่งกูอยู่ใกล้นับว่าได้หกหู มึงจุงดูไปด า, าบอเดินจน้านันลายก็จักกายเป็นร้อยติดจ่องหอยเป็นพันเกวัดหันโคตรไหมว่าจุงรีบไล่เร็วไวน้ำนกจังไรใจกามาคาต่อนาบัดเดียวนกก็เร็วไวว่องบินสู่ต้องเวหาดันเมฆาเมกฟ้าแล้วอ้อยนาขึ้นมา ถึงมีทิลาเตต้องบินเข้าห้องหอดในแลาา้วจะใครบอกเล่าแก่นอพระเจ้าจูพักกันนอโปทิญานบนใหญ่กันหูไข่ขีญาก่อฮือข้าคุณนานามังเต้าคือข้าคุณเจ้าเศรษฐีกะฮะบอดีมวนหมูม่เข้ามาสู่ภ า, ายใน ของอันใดกวนใจบอละไว้ตุ้มได้เข้าเปือกกลายปานปอใสเกวียนลอนนำมากองทุมนาหลายแหล่เต็มจูงแงไปในเจ้าจอมใจแต่งไว้ฮือพ้อไขจูผากาญกอมีฮันแหลนา จุลนีพรห ม, มตตโตสวรรณาญาจุลนีพรห ม, มตตราสฟังปรโรหิตห้าหาตสามานคือเกวัตอาจารย์ผู้เท่าจใจกำสาวปาลาก่อนยกโยธามวลมากออกไปจากเวียงใจรบผาไปจาใจเจ็ดปีไข่เติ่งตันเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเศษ ภาพไขเขตนานาใด้ผ้าญาลายหลากร้อยเอ็ดหากเป็นปริวานเวนเต้าภูบาลวิเตหราชเจ้าภาสัตววิธีลา อันห่อปุธานุ่มเนาอยู่เป็นเก้าเซนาบอดีส่วนาญาจุลนีหยดใหญ่มีไผยไตนำนาตั้งาญาหนุ่มเท่าร้อยเอ็ดอยู่เฝ้าเป็นปริวานก็ถามเกวัตอาจารย์ใจยากว่าเราจักไปภาพมิธีลาจักสมภาธานาไฟห้อยหรือกาดก้อยสันใด มันก็ไข่เกาจี้เฮ่แจ้งทีขี้ยาว่าเมืองมีิธิลานั้นเล่ามะโหสถเฝ้าเห็นกันพระญามันองอาจจบฉลาดเหลือคน แม่นยกเรียปนไปผาบเกนคานาเตจิงบ่อสมคาดิ้งเกิดไว้คือบ่อได้ดังหมายจักไปได้เสียเป่าบ่อไดเหล่าอันใด แม่นมีเงินคำใส่มากเต้าก็บ่อเต้าเราราสั่งรอ ม, ม้าตัวดาวจากร้อยเอดเต้าดีหลีขอพระผู้มียดใหญ่นำไัยไตยโยธา ตั้งภาญามวนหมูปอขึ้นสู่เมืองเราเปืือหื้อเขามวนหมูได้ยั่งอยู่เย็นใจส่วนเจ้าหอใจยศยาวร้อยเอตเต้าผูบาลอันเป็นป ร, ริวานแวดเฝ้าก็บอกเต้าเจ้าจุลานีว่าบอกควรดีละไว้ยังเมืองใหญ่มิทิลาตูอาสาขามใจภาพเอาได้ดังไม้ รีปลายเลือแล่เตียงผาปแปะดังใจเกวัดไข่บอกเล่าว่าดุราเต้าเจ้าตั้งลายยาได้ไมายไปผาปรบขานเมืองมิถิลาเหตุเมืองดั้นนะ้าบ่อใหญ่เราไขใได้ามได้ยกโยธาในาไปผาปรบขานเตจิ้งย่อมสมขานิ้งไปห้อยบ่อกาดก้อยไกลกา จุ่มราราหิวหอดบอดใดยังจอดเมื่อนานกวนสำรานยังย่อนฮืออิดอ่อนไม่หายคือกวนผันภายขึ้นสูยังติโยอุตระปัญจาลราชธ า, านีเล่นตุริญานุนทีต่างๆเื้อตกห่างนี่ไก่เจ้าห่อใจ้อยเอตเตา ฟังม้นเก่าไขาปันก่อหันตันจูผู้ต่างจืนสูยินนี้ส่วนผาญาจุลานีราชก่อนนำผัวข้าวหาดโยธาตั้งผาญามวนหมูปอขึ้นสู่ธานีก็มีหันแหละนาะ ส่วนว่าใจแขวนใจอันเจ้าแต่งไว้ต่างๆคือไปรุมร้าอยู่เฝ้ายังเต่าเจ้านานาก็ส่งข่าวมาเก่าอเออเจ้าหัวตอบมีนอมูนี้ยอดซอยก็อตอบทอยกำไปว่าสู่จุงอดใจถ้าพอสืบติดต่อเมื่อ น, นาน กันต้าฟูบานจุลนีราชกับเกวัตหาวหาดปาลาจากฮือพานาหนุ่มเทาเสวยเข้าเล้าบันไดจุงเรียวไว้บอกเก่าวหือหูขาวสับปันส่วนเจ้าหอจันจุลนีราชกับเกวัตหาวหาดปาลาก็ะฮือดาแต่งไว้ยังส่วนใหญอุยนาน ตังพจานาอาหารเข้าเรามีหมากเต้านำนาแล้วเอายาปิดใหญ่ใส่พร้อมไข่จูอันอันวางย้ายกันหลายแหล่มีจู่แงอานา ว่าเธงยามาวันผูกกาละถูกยามใจตาวันใสคำลาหลงลับป่าดงนาจักพาญาหนุ่มเทาสะเวยเข้าเล่าอาหาร เล่นสำรานจู่ย่างตามไฟอ้างใจใหมายส่วนว่าใจแกวนใจกันหูไข่ขีญยาก็ส่งข่าวมาบอกเราหื้นอพระเจ้าตามมีก็มีวันนั้นและ้วนะ เนธิตังขีญาสังวณนานาวิเศษจากห้องเหตุมโหสถผูกสิบสียังไปถึงที่สุดปลาย พญ่าลายหนุ่มเทาจักได้เข้ามาร า, ารดาฤใดกาก้าอยกาดบ่คำขาดสันได้ก้อยฟังไปผูกนาผูกนี่ก่อบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล